ทุกทั้งหลายบุคคลผู้มีจิตรุดพ้นแล้วจากอาสวะย่อมพบกับปีติปราโมทย์อันใหญ่หลวงรู้สึกตนว่าได้พบขุมทรัพย์มหคือมาหาอะไรเปรียบไม่ได้เออบอาบทราบซ่านด้ดยธรรมตนของตนเองนั่นแลเป็นผู้รู้ว่าบัดนี้กิเลสานุสัยต่างๆได้สิ้นไปแล้วพบใหม่ไม่มีอีกแล้ว โอวาทานุศาสนีของพระผู้มีพระภาคส่วนใหญ่เป็นไปอย่างนี้ข่าวการปลงพระช น, นมายุสังขารของพระาศาสดาได้แพ่กระจายไปทั่วสังข์ขมลทนประดุดบุรุษผู้มีกำลังกระพือภาคขาวคลุมบริเวณเนื้อที่อ น, น้อยบัดนี้สาวกของพระองค์ทั้งเครือขัดและบรรพชิตรู้สึกว้าเวและเลื่อนล อ, อย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 พยายามทำสมถะและวิปัสสนาภิกษุทั้งหลายอื่นเห็นพฤติการดังนี้เข้าใจว่าภิกษุธรรมารามหาความรักความอะไรในพระผู้มีพระภาคไม่ได้จึงนำความข้อนั้นกราบทูลพระพุทธองค์พระเจ้าค่ะภิกษุทูลภิกษุชื่อธรรมารามหาความรักความอะไรในพระองค์ไม่ได้เลยเมื่อทราบว่า พระองค์จะาพรินิพพานก็หาได้แสดงอาการเศร้าโศกอย่างใดไม่เปลีกตนไปอยู่แต่ผู้เดียวไม่เกี่ยวข้องหรือไต่ถามเรื่องราวของพระองค์เลยพระาศาสดารับสั่งให้พระธรรมารามข้าเฝ้าตรัสถามว่าธรรมารามได้ยินว่าเธอทําอย่างที่พิสูจน์ั้งหลายกล่าวนี่หรือพระพุทธเจ้าข้าพระธรรมารามผู้รักทําไมเธอจึงทําอย่างนั้น เธอไม่อะไรายดีในตถาคตรหรือพระาศาสดาตรัสถามหาไม่ได้พระเจ้าข่าข้าพระองค์คิดว่าข้าพระองค์บวชแล้วในสำนักของพระองค์ผู้สันเสริญความเพียรพยายามปัดนี้พระองค์จะปรินิพพานแล้วทำชะไหนหนอข้าพระองค์จะพึงทําความเพียรเพื่อบรุธรรมอันสูงสุดเพื่อบูชาพระองค์ตั้งแต่พระองค์ยังทรงพระชนอยู่ทีเดียวด้วยเหตุนี้ ข้าพระองค์จึงหลีกออกจากหมู่อยู่แต่ผู้เดียวพระพุทธองค์ทรงเป่งอุทานออกสามครั้งว่าดีแล้วภิกษุแล้วผินพระพักตร์ประตัดกับพิสุทั้งหลายอื่นว่าภิกษุทั้งหลายผู้ใดมีความสเสน่หาอะไรในเราพึงทําตนอย่างธรรมารามพิกษุนี้การทําอย่างนี้ชื่อว่าบูชาเคารพนับถือเราด้วยอาการอันยอดยิ่งภิกษุทั้งหลาย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 ภกษุทั้งหลายบรรดาทางทั้งหลายมักมีองค์8ประเสริฐที่สุดบรรดาบททั้งหลายบทสี่คืออริยสัจประเสริฐที่สุดบรรดาธรรมทั้งหลายวิราคะคือการปราศจากความกำหนัดยินดีประเสริฐที่สุดบรรดาสัตว์สองเท้าพระตถาคตผู้มีจักขุประเสริฐที่สุดมักมีองค์8ดนี่แหละเป็นไปพุทธศาสนาอันบริสุทธิ์หาใช่ทางอื่นไม่ เธอทั้งหลายจงเดินไปตามทางมีองแปดนี้อันเป็นทางที่จะทำมารให้หลงติตาไม่ได้เธอทั้งหลายจงตั้งใจปฏิบัติเพื่อทำให้ทุกสูญสิ้นไปความเพียรพยายามเธอทั้งหลายต้องทำเองตถาคตเป็นแต่เพียงผู้บอกทางให้เท่านั้นเมื่อปฏิบัติตนดังนี้พวกเธอจกพ้นจากมารและบ่วงของมาร พุทธองค์ตรัสกับพระอ น, นุนว่ามาเถิดอ น, นุนเราจะไปกุศลนารานครด้วยกันพระอ น, นุนรับพุทธบัญชาประกาศให้พิสุทิ์ทั้งหลายทราบพร้อมกันแล้วเดินดุ่มจากสถานที่นั้นมุ่งสูกก่กุศินารานครในระหว่างทางทรงเหน็ดเหนื่อยมากจึงแวะเข้าร่วมปรึกษาใบหนาต้นหนึ่งรับสั่งให้พระอ น, นุนปูผ้าสังาติทําเป็นสีชั้นอ น, นุน เราเหน็ดเหนื่อยเหลือเกินอาภาษฎก็มีอาการรุนแรงขึ้นเร็วเข้าเธอรีบปูสังคาติลงเราจะนอนพักผ่อนและขอให้เธอไปนำน้ำมาดื่มพอแก้กระหายบ้างพระเจ้าค้ากเกวียนเป็นจานวนมากเพิ่งผ่านลำน้ำไปสักครู่นี่เองน้ำยังคุณอยู่ไม่ควรที่พระองค์จะดื่มขอเสด็จไปดื่มนะ้แม่น้ำกบกุดทานทีเถิดมีน้าใสจิตสนิทเย็นดีพระเจ้าข่า อย่าเลย อ, อ น, นุนพระตถาคตตรัสเป็นเชิงวิงวอนอย่าคอยถึงแม่น้ำกับกุฏานาทีเลยเรากระหายเหลือเกินร่างกายเล่าร้ารอนคอแห้งผากเธอจงรีบไปนำน้ำมาเถิดพระ อ, อนตน์รับพุทธบัญชาแล้วถือบาทของพระตถาคตเจ้าไปท่านมีอาการเศร้าซึมและวิกตกกังวลเมื่อมาถึงริมฝั่งแม่น้ำยังมองเห็นน้าขุนอยู่ ท่านมีอาการเหมือนว่าจะเดินกลับแต่ด้วยความเชื่อและห่วงใยในพระาศาสดาจึงเดินลงไปอีกพอท่านทาท่าจะตักน้ำขึ้นมาเท่านั้นน้ำซึ่งมีสีขุ่นขาวพรลอยเกียนและโคก็ปรากฏเป็นน้ำใสสะอาดเหมือนกระจกเงาซึ่งหญิงสาวผู้รักสวยรักงามขัดไว้ดีแล้วท่านตักน้ำมาแล้วรีบเดินทางกลับน้อมบาตเข้าไปถวายพระพุทธองค์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 อะไรจะทำให้บุทธิดาลำบากย่อมพร้อมที่จะรับความละบากอันนั้นเสียเองสุขระมัทวะให้ผลในทันทีอาการประชวนของพระพุทธองค์สุดหนักลงอย่างหน้าวิตกมีพระบังคนเป็นโลหิตแต่ถึงกระนั้นก็ยังเสด็จด้วยพระบาทเปล่าจากปาวาสู่กุสินารานครพระองค์ต้องหยุดพักเป็นระยะระยะหลายครั้งก่อนจะถึงกุสิณารา ราชธานีแห่งมลรกษัตร์และใต้ร่มึกษาแห่งหนึ่งขณะที่พระองค์หยุดพักมีบุตรแห่งมลรกษัตย์นามว่าปุกุสสะเคยเป็นสิทธิของอาราดาบุตรกาลามาโรดเดินทางจากกุสิกนาราเพื่อไปยังปาวานนครได้เห็นพระผู้มีพระภาคแล้วเกิดความเลื่อมใสจึงน้อมผ้ากู่หนึ่งซึ่งงามมีสีเหมือนทองสิงคีเข้าไปถวาย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 จึงกราบทูลพระพุทธองค์ว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคผู้ประเสริฐข้าพระองค์สังเกตเห็นพระชวีของพระองค์ผุดพองยิ่งนักเกินที่จะเปรียบด้วยสิ่งใดเ ป, งเปล่งปลั่งมีรมัศมีพระองค์ผู้ประเสริฐบัดนี้พระองค์มีพระชนมายุถึงแปสบแล้วอยู่ในวัยชาราเต็มที่เหมือนผลไม้สุกจนงอมอันหนึ่งเล่าเวลานี้พระองค์ทรงประชวนหนัก มีอาการแห่งผู้มีโรคเบียดเบียนแต่เหตุชไหนผิวพันุ์ของพระองค์จึงผุดพองยิ่งนัก ดาของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้คือคราวจะตรัสรู้คราวหนึ่งและก่อนที่จะปรินิพานอีกคราวหนึ่งผิวพันธุ์แห่งตถาคตย่อมปรากฏคตงามประดุลลัศมีแห่งสุริยาเมื่อแรกรุ่งอรุณและจวนจะอัสดงดูก่อนอานนุ์ในยามสุดท้ายแห่งราตรีนี้ตถาคตจะต้องปรินิพานในระหว่างต้นสาละทั้งคู่ซึ่งโน้มกิ่งเข้าหากันมีใบใหญ่หนา มีดอกเป็นช่อชั้นตรัส ด, ดังนี้แล้วจึงเสด็จนำพระอนต์ไปสู่ฝั่งน้ำกากุธานทีเสด็จลงสงเสวยสํสำราญตามพุทธอัธยาศัยแล้วเสด็จขึ้นจากกกุธานทีไปประทับณนะอัมพวันรับสั่งให้พระจุนทะน้องชายพระสาลีบุตรปูลาดสังคาติเป็นสี่ชั้นแล้วบรรทมสีหสัยยาคือตะแคงขวา เอาพระหัตร์รองรับพระเศียงช้อนพระบาทให้เหลื่อมกันมีพระสติสัมปชัญญะตั้งพระไยว่าจะลุกขึ้นในไมช่ช้าขณะนั้นเองความปริวิตตกนงนายจุนทะผู้ถวายสุกละมัถวะก็เกิดขึ้นจึงตรัสกับพระอนนนว่าอานนนว่าเราปรินิพพานแล้วอาจจะมีผู้กล่าวโทษจุนทะว่าถวายอาหารที่เป็นพิษ จนเป็นเหตุให้เราปรินิพานหรือมิฉะนั้นจุนทะอาจจะเกิดวิปฏิสารเดือดร้อนใจไปเองว่าเพราะเสวยสุกระมัถวะอันตนถวายแล้วพระต ถ, ถาคตจึงปรินิพานดูก่อนอนนบิณฑบาต ท, ทานมีอันิสงมากมีผลภัยสารมีอยู่สองคราวด้วยกันคือเมื่อนางสุชาดาถวายก่อนจะตัดสรู้ครั้งหนึ่ง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 และทาจุนทะจะเดือดร้อนใจเธอพึ่งปล่าปลอบให้เขาพลายวิตกกังวลเรื่องนี้อาหารของจุนทะเป็นอาหารมื้อสุดท้ายสำหรับเราครั้นแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระอนตนเป็นปัจฉาสมณะและมีภิกษุโสงมูใหญ่เป็นบริวารเสด็จข้าแม่น้ำฮิรันยวดีถึงกรุงกุสินาราสเสด็จเข้าสู่สาลวโนทยานคืออุทยานซึ่งคลึบสะพังในต้ตนศาลา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 พุทธบริษัททั้งสี่คือภิษุภิษุณีอุบาสกอุบาสิกาธรรมสการะบูชาเราด้วยเครื่องบูชาสการะทั้งหลายอันเป็นอามิรเช่นดอกไม้ถูกเทียนเป็นต้นหาชื่อว่าบูชาสถาคตด้วยบูชาอันยิ่งไม่อ น, อนนุ่เอย่ยผู้ใดปฏิบัติตามธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติธรรมให้เหมาะสมผู้นั้นแลชื่อว่า สการะบูชาเราด้วยการบูชาอันยอดเยี่ยมพระอนนทูลว่าข้าพระองค์ผู้เจริญเมื่อก่อนนี้ออกพรรษาแล้วภิกษุทั้งหลายต่างก็พากานเดินทางมาจากที่สารุติเพื่อเฝ้าพระองค์ฟังโอวาจากพระองค์บัดนี้พระองค์จะบรินิพานเสียจแล้วภิกษุทั้งหลายจะพึงไปณที่ใดอา น, น์สถานที่อันเป็นเหตุให้ระลึกถึงเรา ก็มีอยู่คือสถานที่ที่เราประสูตแล้วคือลุมพินีวันสถานสถานที่ที่เราตั้งอาณาจักรแห่งธรรมขึ้นไปครั้งแรกคืออิสิ ป, ปัตนามิคธายะแขวงเมืองพาราณสีสถานที่ที่เราตัสรู้อนุตตรสัมมาสัมพุทฺญาณบรรลุความรู้อันประเสริฐทำกิเลสให้สิ้นไปคือโพธิมณฑลตะบลอุรุเวลาเสนานิคม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 เป็นมารดาบ้างเป็นพี่หญิงน้องหญิงบ้างเป็นเครือญาติบ้างและเป็นผู้เลื่อมใสในพระตนรตรายบ้างภิกษุจะพึงปฏิบัติต่อสตรีอย่างไรพระเจ้าข่าอานอน์การที่ภิกษุไม่ดูไม่แลสตรีเพศนั้นเลยเป็นการดีถ้าจําเป็นต้องดูต้องเห็นเราพระเจ้าข่าถ้าจําเป็นต้องดูต้องเห็นก็อย่าพูดด้วยอย่าสนทนาด้วยนั้นเป็นการดี ถ้าจำเป็นต้องสนทนาด้วยเล่าพระเจ้าข้าจะปฏิบัติอย่างไรถ้าจาเป็นต้องสนทนาก็จงมีสติไว้วควบคุมสติให้ดีสำรวมอินทรีย์และกายวา จ, จาใจให้เรียบร้อยอย่าให้ความกำหนัดยินดีหรือความหลงไหลครอบงำจิตใจได้อ น, อนน์เรากล่าวว่าสตรีที่บุรุษเอาใจเข้าไปเกี่ยวกะนั้นเป็นมนพินของพรหมจักร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 สิ่งวิจิตและรูปที่สวยงามก็คงอยู่อย่างเกอร์เกอร์ทำพิษอะไรไม่ได้อีกต่อไปพระผู้มีพระภาคปัรธมสงบนิ่งพระอ น, นุลก็พลอยนิ่งตามไปด้วยดูเหมือนว่าท่านจะตรึกตรองทบทวนพระพุทธวจนะที่ตรัสจบลงสัตู่นี้จริงทีเดียวการไม่ยอมดูไม่ยอมแลสตรีเฉลยนั้นเป็นการดีมากแต่ใครเล่าจะทาได้อย่างนั้น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 และบางทีจะร้องไห้น้ำตาอาบแก้มในขณะที่ใจของเธออิ่มเอิบไปด้วยปีติปราโมทจะเอาอะไรเล่ามาวัดความลึกแห่งหัวใจของสตรีมีคำกล่าวว่าอาการของสตรีนั้นดูยากเข้าใจยากเหมือนการไปของปลาในน้ำปราดผู้ทรงวิทยาคุณกว้างขวางลึกซึ้งสามารถอย่างรู้ดินฟ้ามาหาสมุทร เหมือนมองเศษประดาษบนฝ่ามือแต่ปลาดเช่นนั้นจะกล้าอวดอ้างได้หรือว่าตนสามารถยังรู้ความลึกล้าในหัวใจของสตรีธรรมชาติของเธอเป็นอย่างนั้นเองมหาสมุทรเต็มไปด้วยภัยอันตรายแต่มหาสมุทรก็มีคุณแก่โลกมิใช่น้อยการค้นหาความจริงตามธรรมชาติของสิ่งนั้นแล้วปฏิบัติให้ถูกต้องต่างหากเล่าเป็นทางดำเนินของผู้มีปัญญา ความเงียบสงัดปกคลุมอยู่ครู่หนึ่งแล้วพระอนุนก็ทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเมื่อพระองค์ปรินิพพานแล้วจะปฏิบัติเกี่ยวกับพุทธศรีระอย่างไรพระเจ้าค่าอย่าเลยอ น, นุนถ้าอยากกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยหน้าที่ของเธอก็คือปุ้มคลองตนด้วยดีจงพยายามทําความเพียรเผาบาพเพื่อเล่าร้อนอยู่ทุกอิริยาบถเพลิน สำหรับเรื่องสรีระของเรานั้นเป็นหน้าที่ของเครือขัดที่จะพึงทํากันกษัตริย์พราหมณ์และกะห บ, บดีเป็นจํานวนมากที่เลื่อมสายตถาคตก็มีอยู่ไม่น้อยเขาคงจะทํากันเองเรียบร้อยพระเจ้าค่าเรื่องนี้เป็นหน้าที่ของเครือขัดก็จริงอยู่แต่เขาถามข้าพระองค์ข้าพระองค์จะพึงบอกว่าอย่างไรพระเจ้าค่าอานนท์ ชนทั้งหลายเมื่อจะปฏิบัติต่อพระศรีระแห่งพระเจ้าจากักรพรรดิอย่างไรก็พึงปฏิบัติต่อศรีระแห่งตถาคตอย่างนั้นเถิดทำอย่างไรพระเจ้าค่าอโนอนคืออย่างนี้เขาจะพันศรีระแห่งพระเจ้าจากักรพรรดิด้วยผ้าใหม่แล้วซับด้วยสําลีแล้วพันด้วยผ้าใหม่อีกทําอย่างนี้ถึงห้า้อคู่หรือห้าร้อยชั้น แล้วนำไปวางในรางเหล็กซึ่งเต็มด้วยน้ำมันแล้วปิดครอบด้วยรางเหล็กเป็นฝาแล้วทำจิตตกาทานด้วยไม้หอมนาน า, นานชนิดแล้วจึงค่อยถวายพระเพลิงเสร็จแล้วเชิญอธิธาตแห่งพระเจ้าจักรพรรดนั้นไปบรรจุสถูปซึ่งสร้างไว้ณทางสีแพร่งในสรีระแห่งตถาคตก็พึงทำเช่นเดียวกันทั้งนี้เพื่อผู้เลื่อมสายจะได้บูชาและเป็นประโยชน์สุขแก่เขาตลอดกาลลนาน แ ล, แล้วพระพุทธองค์ทรงแสดงถูปรารหาบุคคลคือบุคคลผู้ควรมรจุอัติไว้ในสถูปเพื่อเป็นที่สการะบูชาของมหาชนไว้สีจ่จำพวกคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกและพระเจ้าจักรพัทตรรัสแล้วทรงบันทมนิ่งอยู่พระ อ, อ น, นุ์ถอยออกจากที่เฝ้า เพราะความเศร้าสลดสุดที่จะอดกลั้นได้ท่านไปยืนอยู่ที่ประตูวิหารมือจับริ่มสลักนิ่งอยู่น้ำตาไหลาพลากจนอาบแก้มแล้วเสียงสะอื้นเบาๆก็ตามมาบัดนี้ท่านมีอายุอยู่ในวัยชรานับได้8ปเท่ากับพระชนมายุของพระผู้มีพระภาคอุปสมบทมานานถึง44พรรษาได้ยินได้ฟังพระธรรมเทศนาอบรมจิตใจอยู่เสมอ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 เป็นเวลา น, านานเหลือเกินที่ท่านและพระาศาสดาได้ทําประโยชน์และเอื้อเฟื้อต่อ ก, กันและกันการจากไปของประผู้มีประภาคจึงเป็นเสมือนการกระชากดวงใจของท่านให้หลุดลอยออกไปโอ้พระองค์ผู้เป็นที่พึ่งของโลกและของข้าพระองค์เสียงครวนคล้าออกมากับเสียงสะเอื้นตั้งแต่นี้ไปข้าพระพุทธเจ้าจะไม่ได้เห็นพระองค์อีกแล้ว พระองค์ผู้ทรงพระมหากรุณาดุดท่วงมหันลบมาด่วนจากข้าพระองค์ทั้งๆ ท, งที่ข้าพระองค์ยังมีอาสวะอยู่เหมือนพี่เลี้ยงสอนให้เด็กเดินเมื่อเด็กน้อยพอจะหัดเดินหัดก้าวได้บ้างพี่เลี้ยงก็มีอันพัดพรากจากไปข้าพระองค์เหมือนเด็กน้อยผู้นั้นพระอานนท์คลั่มครวญอย่างน่าสงสาร เมื่อพระอ น, นุนหายไปนานผิดปกติพระศาสดาจึงตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายอ น, นุนหายไปไหนไปยืนร้องไห้อยู่ที่ประตูวิหารพระเจ้าข่าภิกษุทั้งหลายทูลไปตามอ น, นุนมานี่ซิพระอ น, นุนเข้าสู่ที่เฝ้าด้วยใบยหน้าที่ชุ่มด้วยน้ําตาพระศาสดาตรัสปลอบว่าอ น, นุนอย่าคลั่งควนนักเลยเราเคยบอกไว้ว่า บุคคลย่อมตกพระัดพากจากสิ่งที่รักที่พอใจเป็นธรรมดาในโลกนี้และในโลกไหนๆก็ตามไม่มีอะไรที่ยั่งยืนถาวรเลยสิ่งที่มีการเกิดก็ย่อมมีการดับในที่สุดไม่มีอะไรยับยั้งต้านทานไว้ได้ข้าแต่พระผู้มีพระภาคผู้เป็นประดุจ ด, ดวงตะวันข้าพระองค์มารำพึงว่าตลอดเวลาที่พระองค์ทรงพระชนอยู่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 จงประกอบความเพียรเถิดเมื่อเราล่วงลับไปแล้วเธอจะต้องสําเร็จอรหั ต, ตผลเป็นพระอรหันต์ในไม่ชา้าตรัส ด, ดังนี้แล้วจึงเรียกภิกษุทั้งหลายให้เข้ามาสู่ที่ใกล้แล้วทรงสรรเสริญพระอา น, นุ์โดยอเนกกับปริยายเป็นต้นว่าภิกษุทั้งหลายอานนุ์เป็นบัณฑิตเป็นผู้ที่รอบรู้และอุปถากเราอย่างยอดเยี่ยมพระอรหันต์ตรัมมาสามพุทธเจ้าทั้งในอดีตและอนาคต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 ก็อยากเห็นอยากสนทนาด้วยอยากฟังธรรมของอนทน์เมื่อฟังก็มีจิตใจเพลิดเพลินยินดีในธรรมที่อนทน์แสดงไม่อิ่มไม่เบือ่อด้วยธรรมวารีรสภิกษุทั้งหลายอ น, อนท์เป็นบุคคลที่หาได้ยากผู้หนึ่งพระอนุ์ผู้มีความห่วงใยในพระศาสดาไม่มีที่สิ้นสุดกราบทูลด้วย น, น้าเสียงที่ยังเศร้าอยู่ว่าพระองค์ผู้เจริญ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 พาราณสีเป็นต้นเถิดพระเจ้าข้าในมหานครเหล่านั้นกษัตริย์พราหมณ์เศรษฐีขหะปีและทวยนาครทุกชั้นที่เลื่อมใสในพระพุทธองค์ก็มีอยู่มากจักได้ทำมหาสการะแดสรีระแห่งพระองค์เป็นมโหรารควรแก่ความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นอุดมมุบรุษรัฐในโลกอานน์เธออยากกล่าวอย่างนั้นเลยชีวิตของตถาคต เป็นชีวิตแบบอย่างตถาคตนิพพานไปแต่เพียงรูปเท่านั้นแต่เกียรติคุณของเราคงอยู่ต่อไปเราต้องการให้ชีวิตนี้งามทั้งในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดอโนอนเออยตถาคตอุบัติแล้วเพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชนเมื่ออุบัติมาสู่โลกนี้เราเกิดแล้วในป่านามว่าลุมพินีเมื่อตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ เราก็ได้บรรลุแล้วในป่าตำบลอุรุเวลาเสนานิคมแขวงเมืองราชคฤึกมหานครเม่าตั้งอาณาจักรแห่งธรรมขึ้นเป็นครั้งแรกได้สาวกเพียงห้าคนเราก็ตั้งลงแล้วณป่าอิสิปตนาบิคธายะแขวงเมืองพาราณสีครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายแห่งเราเราก็ควรปรินิพพานในป่าเช่นเดียวกันอันหนึ่งกุศินาราณี แม้บัตรนี้จะเป็นเมืองน้อยแต่ว่าในโบราณากาลกุสินาราเคยเป็นเมืองใหญ่มาแล้วเคยเป็นที่ประทับของพระเจ้าจักรพรรดินาบวามหาสุทัศนะนครนี้เคยชื่อกุสาวดีเป็นราชธานีที่สมบูรณ์มั่งคั่งมีคนมากมีมนุษย์นิกรเกลือนกลนพล่างพร้อมด้วยธัญญาหารมีโรมนียสถานที่บันเทิงประดุจราชธานีแห่งทิพยานคร กูสาวดีราชธานีนั้นเกล็ก้องนัลเลนาททั้งกลางวันและกลางคืนด้วยเสียงสิประการคือเสียงคชสารเสียงพาชีเสียงเพรีและรถเสียงตะโพนเสียงพินเสียงขับร้องเสียงกังสะดานเสียงสังรวมทั้งสำเนียงประชาชนเรียกกันบริโภคอาหารด้วยความสมราบเบิกบานจิตพระเจ้ามหาสุทธิสนา องค์จกักรพรรดิเล่าก็ทรงเป็นอิสราทิปดีในปฏิพีมณฑนทรงชำระปั จ, จามิตรโดยธรรมไม่ต้องใช้ทันและสาตราชนบทสงบราบขาบ้าปราศจากโจรผู้ร้ายมารดายังบุตรให้ฟ้อนอยู่บนอกด้วยความเพลิดเพลินประตูบ้านปราศจากลิ่มสลักเป็นนครที่เรื่อนรมเย็นสมเป็นราชธานีแห่งพระเจา้าจักรพรรดิราชอย่างแท้จริงอีกอย่างหนึ่ง อนุนเอยเมื่อมองมาทางธรรมเพื่อให้เกิดสังเวชสลดจิตก็พอคิดได้ว่าสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงไม่อย่างยืนมุ่งไปสู่จุดสลายตัวอนุนจูดูเถิดพระเจ้าจั ก, กรพรรดิมหาสุทัศนะก็สิ้นพระชนไปแล้วเมืองกูสาวดีก็เปลี่ยนมาเป็นเมืองกุสิกนาราประชาชนชาวกูสาวดีก็ตายกันไปหมดแล้วนี่แลไม่มีสิ่งใดเที่ยง ไม่มีอะไรยั่งยืนตถาคตเองก็จะปรินิพานในไม่ช้านี้แล้วพระศาสดาก็รับสั่งให้พระอนุนไปแจ้งข่าวปรินิพานแก่มาลครสัตริย์ว่าเพราะตถาคตเจ้าจากปรินิพานในยามสุดท้ายแห่งราตรีเ ม, มื่อมาลครสัตริย์ผู้ครองนครกุสินาราสดับข่าวนี้ต่างก็ทรงกรรมสดโศกาดูนทุกโทมนัสทัพทวีสยายพระเกศา ยกพระพาหาทั้งสองขึ้นแล้วคลำครวนล้มกลิ้งเกลือกประหนึ่งบุคคลที่เท้าขาดร่ำไรลำพันถึงพระโล ก, กนาฏว่าพระโล ก, กนาฏด่วนปรินิพานนักดวงตาของโลกดับลงแล้วประดุษสุริยาซึ่งให้แสงสว่างดับวูบลงด้วยอาการโศกาดูนดังนี้มันละกษัตริย์ได้ตามพระอานนต์ไปเฝ้าพระศ า, ศาสดานัตสาลวนโนยาน พระอานนท์จัดให้เฝ้าเป็นตระกูลตระกูลไปแล้วกลับสู่สันทาคารคืนนั้นมันและกษัตริย์ประชุมกันอยู่จนสว่างวิดาบรรทมเลย ย่างเขายามที่สองแห่งราตรีลมเย็นพัดผ่านมาเป็นครั้งคราวรอบๆ อ, อุทยานสารวันเปียกชุ่มไปได้วยอสุชนทาราแห่งมหาชนผู้เศร้าสลดสุดที่จะประมาณเข้าหลั่งน้ำตาออกมาด้วยความรักและความละทดใจเพระจันทร์วันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขะโผล่ขึ้นเหนือเิี่ยวไม้ทางทิศ ต, ตะวันออกสาดแสงสีนวลใหญ่ลงสู่อุทยานสารวัน ทั่วบริเวณมณฑลต้องใบาสาละซึ่งไหว น, น้อยๆดูงามตาแต่บรรยากาศในยามนี้สลดเกินไปที่ใครๆจะสนใจกับความงามแห่งแสงโสมที่สาสองซึ่งเหมือนจะจงใจบูชาพระสรีรัแห่งพระชอมศาสดาเงียบสงบวังเวงจะได้ยินอยู่บ้างก็เสียงสะอึกสะอื้นและทอดหายใจของคนบางคนที่เพิ่งมาถึงท่ามกลางบรรยากาศดังกล่าวนี้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 ขอท่านได้โปรดอนุญาตเถิดข้าพเจ้าสุภัท ธ, ธะบริภาชกอย่าเลยสุพัท ธ, ธะท่านอย่ารบกวนพระผู้มีพระภาคเจ้าเลยพระองค์ทรงระบากพระวรากายมากอยู่แล้วพระองค์ประชวนหนักจกปริณิพานในยามสุดท้ายแห่งราตรีนี้แน่นอนท่าน อ, น, อนุนโอกาสของข้าพเจ้านั้นเหลือน้อยเหลือเกินขอท่านอาศัยความเอ็นดูโปรดอนุญาตให้ข้าพเจ้าเข้าเฝ้าพระาศาสดาเถิด พระอ น, นุลคงทัดทานอย่างเดิมและสุพัทธาก็อ่อนวอนครั้งแล้วคร้งเล่าไม่ยอมยออ่อท้อจนกระทั่งได้ยินถึงพระาศาสดาเรื่องก็เป็นไปอย่างที่เคยเป็นมาพระาศาสดามีพระมหากรุณาอันไม่มีที่สิ้นสุดรับสั่งกับพระอ น, นุลว่าอา น, นุลให้สุพัทธะเข้ามาหาเราเถิดเพียงเท่านี้สุพัทธะปริภาชกก็ได้เฝ้าสมประสง กขากราบลงใกล้เตียงบรรทมแล้วทูลว่าข้าแต่พระจอมุนีข้าพระองค์นามว่าสุภัทธ์ถือเพศเป็นปริพาชคมาไม่นานได้ยินกิติศัพท์เล่าลือเกียรติคุณแห่งพระองค์แต่ก็หาได้เคยเข้าเฝ้าใหม่บัดนี้พระองค์จะดับขันปรินิพพานแล้วข้าพระองค์ขอประทานโอกาสซึ่งมีอยู่น้อยนี้ปูลถามข้อข้องใจบางประการเพื่อจะได้ไม่เสียใจในภายหลังถามเธอสุพัทธะ พระาศาสดาตรัสพระองค์ผู้เจริญคณาจารย์ทั้ง6คือปุรณกัสปะมะคคิิโศสาระอชิตะเอสกรมพลปกุท ธ, ธะกจายนะสัญชัยเวรัตบุตรและนิครนนาฐบุตรเป็นาศาสดาเจ้าลัทธิที่มีคนนับถือมากเคารพ บ, บูชามากาศาสดาเหล่านี้เป็นอรหันต์หมดกิเลสหรือประการใด เรื่องนี้หรือสุพัทธ์ที่เธอดิ้นรนขวนขวายพยายามที่จะมาหาเราอย่างยิ่งยวดพระศาสดาตรัสยังทรงหลับพระเนตรอยู่เรื่องนี้เองพระเจ้าข่าพระอานนท์รู้สึกกระวนกระวายทันทีเพราะเรื่องที่สุพัทธ์มารบกวนพระศาสดานั้นเป็นเรื่องที่ไร้สาระเหลือเกินขณะที่พระอนน์จะเชิญสุภทัทธ์ออกจากที่เฝ้านั้นเองพระศาสดา ก, ก็ตรัสขึ้นว่า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 สุภัททะรอยเท้าในอากาศนั้นไม่มีศาสดาใดไม่มีมรรคมีองค์แปดสมณะผู้สงบถึงที่สุดก็ไม่มีในศาสนานั้นสังขารที่เที่ยงนั้นไม่มีเลยสุภัททะปัญหาของเธอมีเท่านี้หรือมีเท่านี้พระเจ้าข้าสุภัททะทูลแล้วนิ่งอยู่พระพุทธองค์ผู้ทรงอนนาวรณญาณทรงทราบอุปนิสัยของสุภัททะแล้ว กิ่งตรัสตอไไปว่าสุภัฏทะถ้าอย่างนั้นจงตั้งใจฟังเถิดเราจะแสดงธรรมให้ฟังไปโดยย่อดูก่อนสุภัฏทะอาริยมรรคประกอบด้วยองค์แปดประการเป็นทางประเสริฐที่สามารถให้บุคคลผู้เดินไปตามทางนี้ถึงซึ่งความสุขสงบเย็นเต็มที่เป็นทางเดินไปสู่อมตะดูก่อนสุภัฏทะถ้าภิกษุหรือใครๆก็ตามพึงอยู่โดยชอบ ปฏิบัติดำเนินตามมรรคอันประเสริฐประกอบด้วยองค์8ดนี้อยู่โลกก็จะไม่พึงว่างจากพระอระหันต์สุพัทธะฟังพระพุทธำดำรสนี้แล้วเลื่อมใสทูลขอบรรพชาอุปสมบทพระพุทธองค์ตรัสว่าผู้ที่เคยเป็นนักบวชในศาสนาอื่นมาก่อนถ้าประสงค์จะบวชในศาสนาของพระองค์จะต้องอยู่ติทยปริวาสคือบำเพ็ญตนทาความดีจนวิสุ์ทั้งหลายไว้ใจ เป็นเวลาสีเดือนก่อนจึงจะบรรพชาอุปสมบทได้สุภัทธ์ทูลว่าเขาพอใจจะอยู่บำรุงปฏิบัติพิสูจทั้งหลายสักสีเดือนพระศาสดาทรงเห็นความตั้งใจจริงของสุภัทธ์ดังนั้นจึงรับสั่งให้พระอนนุ์นำสุภัทธไปบปรรพชาอุปสมบทพระอนนุ์รับพุทธบัญชาแล้วนำสุภัทธ์ไปหน้ส่วนหนึ่ง ปรงผมและหนวดแล้วบอกกรรมฐานให้ให้ตั้งอยู่ในสถานคลมและศีลสําเร็จเป็นสมานเณรแล้วนํามาเฝ้าพระาศาสดาพระผู้ทรงพระมหากรุณาให้อุปสมบทแก่สุภาาัทธะเป็นภิกษุโดยสมบูรณ์แล้วตรัสบอกกรรมฐานอีกครั้งหนึ่งสุาาพัทธะภิกษุใหม่ตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าจะพยายามให้บรรลุอรหัตผลในคืนนี้ก่อนที่พระาศาสดาจะนิพพาน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 จงคลุมนั้นคือการเดินกลับไปกลับมาพร้อมด้วยพิจารณาข้อธรรมนำมาทำลายกิเลสให้ดุดร่วงบัดนี้ร่างกายของสุภาาพัพระภิกษุห่อหุ้มด้วยกาสาวพัดม่ต้องแสงจัน์ในราตรีนั้นดูผิวพรรณของท่านเปล่งปลั่งงามอัมภัยมัชธิมยามแห่งราตรีจวนจะสิ้นอยู่แล้วดวงรัชนีกลมโตเคลื่อนย้ายไปอยู่ทางท้องฟ้าด้านตะวันตก แล้วสุภัทชาภิกษุตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าจะบำเพ็ญเพียรคืนนี้ตลอดลาตรีเพื่อบูชาพระาศาสดาผู้จะนิพานในปลายปชิมยามดังนั้นแม้จะเหน็ดเหนื่อยอย่างไรก็ไม่ยอมยออ่อท้อแสงจันทร์นวลผ่องสุกสกาวเมื่อครูน่นี้ดูจะอับแสงลงสุภัทชาภิกษุงแงนขึ้นดูท้องฟ้าเมฆ ก, ก้อนใหญ่กำลังเคลื่อนขบดบังแสงจันทร์จนมิดดวงไปแล้วแต่ไม่นานนัก เม่ก้อนนั้นก็เคลื่อนคล้อยไปแสงโสมบสาดส่องลงมาสว่างนวลดังเดิมทันใดนั้นดวงปัญญาก็โผลพรุ่งขึ้นในดวงใจของสุภาาัฏภิกษุเพราะนำดวงใจไปเทียบด้วยดวงจันทร์จิตนี้เป็นธรรมชาติทิพผ่องใสมีรัศมีเหมือนจันทร์เจ้าแต่ว่าจิตอาศัยกิเลส ท, ที่จรมาเป็นครัางคราวจิตนี้จึงเศร้าหมองเหมือนก้อนเมฆบทบางดวงจันทร์ให้อับแสง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 มาถวายบังคมพระมงคลบาทแห่งพระาศาสดาแล้วนิ่งอยู่สุภัททะภิกษุปัชิมสาวกอรหันผู้นี้ชื่อพ้องกับสุภัททะอีกผู้หนึ่งซึ่งเป็นบุตรแห่งสหายของพระผู้มีพระภาคผู้มีนามว่าอุ ป, ปกามีประวัติเกี่ยวเนื่องโดยพระพุทธองค์อันนาสนใจยิ่งผู้หนึ่งดังนี้นับถอยหลังจากนี้ไป45ปีสมัยเมื่อพระพุทธองค์ตรัสรู้ใหม่ ทรงดำริจะโปรดปัญจวัคคีย์ในอิสิปัตนามิกรทายะเสด็จดำเนินจากบริเวณโพธิมณฑลไปสู่แขวงเมืองพารานศีในระหว่างทางได้พบอาชิวกผู้หนึ่งนามว่าอุ ป, ปะกาผู้อยู่ในวัยค่อนข้างชราแล้วเขาเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเดินสวนทางไปจึงถามว่าสมณะผิวพรรณของท่านพ่องใสยิ่งนักอินทรีย์ของท่านสงบหน้าเลื่อมใส ท่านบวชในสำนักของใครใครเป็นศาสดาของท่านสหายพระศาสดาตรัสตอบเราเป็นผู้ครอบงำไว้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นใหญ่ในตนเองเต็มที่เรารู้ทุกสิ่งทุกอย่างในทางธรรมเราหักกงกรรมแห่งสังสารจักรอันเป็นเหตุให้เวียนว่ายตายเกิดได้แล้วด้วยตนเองเพื่อเป็นชนี้จะพึงอ้างใครละ ว, ว่าเป็นศาสดาอาชีวกได้ฟังดังนั้น นึกดูมินอยู่ในใจว่าสมณะผู้นี้โอหังเหลือเกินลบลูคุณของศาสดาตนน่าจะลองถามชื่อดูเผื่อว่าจะมีคณาจารย์เจ้าระที่ใหญ่จะจำได้บางว่าเคยเป็นสิทธิ์ของตนคิดดังนีแล้วจึงกล่าวว่าสมณะที่ท่านกล่าวมานี้ก็น่าฟังอยู่ดอกแต่ว่าจะเป็นไปได้หรือคนที่จะรู้อะไรอะไรได้เองโดยไม่มีครูไม่มีอาจารย์แต่ก็ช่างเถิด ข้าพเจ้าไม่ติดใจในเรื่องนี้รักดอกข้าพเจ้าปรารถนาจะทราบนามของท่านเพื่อว่าพบกันอีกในคราวหน้าก็จะได้ทักทายกันพระสกากยะมุนีผู้มีอนาคตังสยานทราบเหตุการณ์ในภายภาคหน้าได้โดยตลอดทรงคํานึงถึงประโยชน์บางอย่างในอนาคตจึงตรัสตอบว่าสหายเรามีนามว่าอนันตชินท่านจําไว้เถิดอนันตชิน ชื่อแปลกดีนี่แล้วอุปกาชีวกก็เดินเลยไปพระาศาสดาก็เสด็จบายพระพักไปสู่พาราณสีอุปกาเดินทางไปถึงหมู่บ้านซึ่งพลานเนื้ออาศัยอยู่ในแนวป่าแห่งหนึ่งใต้หมู่บ้านนั้นตอนเช้าเขาก็าไปพิกษาจารในหมู่บ้านพลานเนื้อนั้นหัวหน้าพลานเห็นเข้าเกิดความเลื่อมใสจึงอารัธนาให้มารับพิกษาที่บ้านของตนทุกๆเช้า อุปการับอรัธนาด้วยความยิน ด, ดีแต่ซ่อนความรู้สึกไว้ภายในตามวิสัยแห่งนักบวชผู้ยังมีความละอายอยู่ต่อมาไม่นานในพรานเนื้อจําเป็นจะต้องเข้าป่าใหญ่เป็นเวลาหลายวันเพื่อลาเนื้อจึงเรียกลูกสาวมาแล้วกล่าวว่าสุชาวดีลูกรักพอจะต้องออกป่าเป็นเวลาหลายวานันพ่อเป็นห่วงพระของพ่อคือท่านอุปกาขอให้ลูกรับหน้าที่แทนพ่อคือตลอดเวลาที่พ่อไม่อยู่ ขอให้ลูกถวายอาหารแก่ท่านแทนพ่อด้วยปฏบิบัติบำรุงท่านเหมือนอย่างที่พ่อเคยทำเมื่อสุชาวดีสาวงามบ้านป่ารับคำของพ่อแล้วในพลานก็เข้าป่าไปด้วยความโล่งใจรุ่งขึ้นอุปก ะ, กะก็มารับภิกษาตามปกติสุชาวดีเชื้อเชิญให้ท่านนั่งบนเรือนและถวายภิกษาอันปานีสนทนาด้วยอาการยิ้มแย้มแจ่มใสอุปกะเห็นอาการของนางดังนั้น ยินดียิ่งนักนึกในใจว่าเธอมีหน้าตายิมแยมแจ่มใสมีใจอารีมีความยินดีที่จะสนทนาเปล่งวาจาไพเราะมีกิริยาสุภาพเหล่านี้เป็นเครื่องหมายของผู้ตั้งใจครบส่วนผู้ที่มีหน้าตาจืดบึง้งไม่ยิมแยมลืมความหลังมีกิริยาอันน่าชังเอาความเสียหายเป็นนินทา เวลาสนทนาชอบเอาเรื่องคนอื่นมาพูดท่ยุ่งไปเหล่านี้เป็นเครื่องหมายของผู้มิชัยมิตร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 ก็พอจะล่วงรู้ถึงความปั่นป่วนภายในของนักรถไวชลาแต่ด้วยมันญาติแห่งเจ้าของบ้านอย่างหนึ่งและอีกอย่างหนึ่งถ้าเป็นนักบวชที่บิดาเคารพนับถือนางจึงคงสนทนาภาทีอย่างละมุน ล, ละไมาตามแบบอย่างของเธอจริงทีเดียวสตรีสามารถเข้าใจวิถีแห่งความรักไดรวดเร็วแม้เธอจะไม่ชอบชายที่รักเธอแต่เธอก็อดภูมิใจไม่ได้ที่มีชายมารักและสนใจเธอ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 บุรุษเล่าอุปมาก็เหมือนเพลิงเมื่อเพลิงอยู่ใกล้น้ำมันก็อดที่จะลามเลียไม่ได้ในวันที่สองและวันที่สามอุปะกะคงมารับพิกษาที่บ้านของสุชาวดีดังเดิมและอาการก็เป็นไปตามนั้นสุชาวดีเธอเพอจะทราบไหมว่าคุณพ่อของเธอจะกลับบ้านวันไหนไม่ทราบพระคุณเจ้าสุชาวดีตอบก้มหน้าเอานิ้วขีดพื้นด้วยความขวยอาย ธรรมดาที่เคยไปก็ไม่เกินเจ็ดวันเธอคิดถึงคุณพ่อไหมอุปกาถามเพ่งมองสุชาวดีอย่างไม่กระพริบตาคิดถึงคุณพ่อของเธอมีบุญมากเรื่องอะไรพระคุณเจ้าสุชาวดีถามเงยหน้าขึ้นนิดหน่อยมีลูกสาวดีทำอาหารอร่อยงามทั้งกายวาจาและใจสูภาพเรียบร้อยอยู่ในโอวาทของบิดา